จะทำอะไรเธอให้ไรรู้ตัวบ้างไหมว่าใครที่อยู่ปลายสายใช่คนที่อยากจะคุยให้เวลาเธอร้อนนั่งรอก่อนจะรับสายว่าเธอจะเปลี่ยนใจไหมยันลองตัวเองลักันตัดสายฉันไปเลยกดทิ้งฉันไปเลย เลถ้าไม่รักกันล่อยฉันไว้คนเดียวหากคิดจะทิ้งกันถ้าหมดใจก็จากไปทาไมอยาดฝันปล่อยฉันไว้คนเดียวปาแข็งไปเท่านั้นทั้งที่ใจอย่าโทรอย่าคุยทุกวัน